พรรบบทแปลเรื่องพระมหากปิณเถระภาคที่สเรื่องที่63าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพพระมหากปิณัฐเถระพระธรรมเทศนานิว่าธรรมปีติสุขังเสติวิปปสันเนนะเจตาสา อริยปะเวทิตเตรมเมสาธารามะติปันฑิโตแปลว่าบุคคลเพื่ออิ่มในธรรมมีใจผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วทุกเมื่อได้ยินว่าในอดีตการพระมหากปินะมีอภินิหาร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 อยู่ในหิ ม, มะวันตะประเทศแปดเดือนอยู่ในชนบทสี่เดือนอันเป็นเดือนฤดูฝนคราวหนึ่งพระปัจเจกพูตธเจ้กกาเหล่านั้นพักอยู่ในที่ไม่ไกลจากกรุงพราราณสีแล้วส่งพระปัจเจกพูตธเจ้กกาสองรูปไปยังสำนักพระราชาด้วยคาว่าท่านทั้งหลายจงทูลขอหัตถกรรม เพื่อประโยชน์แก่การทำเสนาสนะก็ในการนั้นเป็นครา ว, วั ป, ปะมงคลแรกนากวันของพระราชาแล้วเธอทรงสดับว่าได้ยินว่าพระปัจเจกขปุาติทั้งหลายมาจึงเสด็จออกไปตรัสถามถึงเหตุที่มาแล้วตรัสว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญวันนี้ยังไม่มีโอกาสเพราะพรุ่งนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายจะมีการมงคลแรกนาขวัญข้าพเจ้าจะทำในวันที่สามังนี้แต่ไม่ได้ส่งอารัธนาพระปัจเจ ก, กพุทธชาตทั้งหลายไว้เลยเสด็จกลับเข้าไปแล้วพระประัจเจ ก, กพุทธชาทั้งหลายคิดว่าเราทั้งหลายจะเข้าไปสู่บ้านอื่นจึงได้หลีกไปจากที่นั้นตอนพวกบ้านช่างหูกทำบุญ ในขณะนั้นภรรยาของนายช่างหูผู้เป็นหัวหน้าไปสู่กรุงพาราสีด้วยกิจบางอย่างเห็นพระปัจเจกับุตตเจ้าเหล่านั้นนมัสการแล้วถามว่าท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้ามาในการไม่ใช่เวลาเพราะเหตุไรน้อแลได้ทราบความเป็นไปตั้งแต่ต้นนั้นมาเธอเป็นหญิงที่มีศรัทธา ถึงพร้อมด้วยปัญญาจึงนิมนต์เหล่าพระปัจเจกขปุตตะเานั้นว่าท่านผู้เจริญขอท่านทั้งหลายจงรับภิกษาของดิฉันทั้งหลายในวันพรุ่งนี้เถิดพระปัจเจกขปุตตะเจกกะ้น้องหญิงพวกเรามีมากมีประมาณเท่าไหร่ชั่วข้าพวกเรามีประมาณพันรูปน้องหญิงหญิงนั้นจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญพวกดิฉันมีประมาณพันคน อยู่ในบ้านนี้คนหนึ่งหนึ่งจะถวายภิกษาแด่พระผู้เป็นเจ้ารูปหนึ่งรูปหนึ่งขอท่านทั้งหลายจงรับภิกษาเถิดีิฉันคนเดียวจะให้ทำแม้ที่อยู่แก่ท่านทั้งหลายเราพระปัจเจ ก, กบุทธชาติทั้งหลายรับอารัธนาแล้วนางเข้าไปสู่หมู่บ้านเปล่าร้องขึ้นว่าฉันเห็นพระปัจเจ ก, กพุทธชาตาประมาณพันองค์นิมนต์ไว้แล้ว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 ด้วยโภชนะอันประีตในเวลาเสร็จพธธัฒกิจจึงบ่าหญิงทั้งหมดในบ้านนั้นพร้อมกับหญิงเหล่านั้นนมันสการพระปเจกพรพุทธเจ้กกาทั้งหลายแล้วรับเอาปฏิญญาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ตลอดไตรมาสแล้วเปล่าร้องชาวบ้านอีกว่าแม่และพ่อทั้งหลายบุรุษคนหนึ่งคนหนึ่งแต่ตระกูลหนึ่งตระกูลหนึ่ง จงถือเอาเครื่องมือมีมี่เป็นต้นเข้าไปสู่ป่านาท่าพระสัมบระมาสร้างเป็นที่อยู่ของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายพวกชาวบ้านตั้งอยู่ในถ้อยคำของนางนั้นแล้วคนหนึ่งคนหนึ่งทำที่แห่งหนึ่งแห่งหนึ่งแล้วให้สร้างศาลามุงด้วยใบยไม้ผ่านหลังพร้อมกับที่พักกลางคืนและกลางวัน แล้วอุปตากพระปัจเจกกั บ, บุทธเจ้าผู้เข้าจำพรรษาในบรรณาสลาของตนของตนด้วยตั้งใจว่าเราจะอุปตากโดยเคารพเราจะอุปตากโดยเคารพอนงนี้ก็ในเวลาออกพรรษาแล้วนางจึงชักชวนว่าท่านทั้งหลายจงตระเตรียมผ้าเพื่อจีวรถวายแด่พระปัจเจ ก, กบพุทธเจาทั้งหลาย ผู้อยู่จำพรรษาในบรณรณาสลาของตนของตนเติดแล้วได้ให้ถวายจีวรมีค่าพันหนึ่งแด่พระปัจเจกบุตรเจ้กกาองค์หนึ่งองค์หนึ่งพระปัจเจ ก, กบุตรเจทั้งหลายเมื่อออกปัรษาแล้วทำอนุโมทนาแล้วก็หลีกไปตอนอันนี้สงทานนำให้เกิดในดาวดึง ก็แม้ชาวบ้านครั้นทำบุญนี้แล้วจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในภพดาวดึงได้มีนามว่าคณะเทพบุตรแล้วเทวบุตร เ, เหล่านั้นเสวยทิพยสมบัติในภพดาวดึงนั้นในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะมาเกิดในเรือนของกุดุมพี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 ต่อมาวันหนึ่งเขาเป่าร้องการฟังธรรมในวิหารกุรุ่มพีเหล่านั้นแม้ทั้งหมดได้ยินว่าพระาศาสดาจะทรงแสดงธรรมปรึกษากันว่าเราทั้งหลายจะฟังธรรมจงได้ไปสู่วิหารกับภรรยาในขณะที่ชนเหล่านั้นเข้าไปสู่ท่ามกลางวิหารฝนได้ตั้งเ่าแล้วบรรพชิตทั้งหลายมีสามเณรเป็นต้น ผู้เป็นกุลุ ป, ปกะหรือเป็นญาติของชนเหล่าใดมีอยู่ส่วนเหล่านั้นก็เข้าไปสู่บริเวณของบปรชิตเหล่านั้นแต่กุฎุมีเหล่านั้ น, ม น, นไม่อาจจะเข้าไปในที่ไหนๆได้เพราะความที่กุลุ ป, ปกะหรือญาติเห็นปานนั้นไม่มีได้ยืนอยู่ท่ามกลางวิหารนั่นเองลําดับนั้นกุฎุมีผู้เป็นหัวหน้าจึงกล่าวกับ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 เราบริวารก็เห็นด้วยตามนั้นคนผู้ ห, หน้าได้ให้ทรัพย์พันหนึง่งชนที่เหลือให้คนละห้0ร้อยพวกหญิงให้คนละ250สิบจนเหล่านั้นรวบรวมทรัพนั้นแล้วเริ่มสร้างบริเวณใหญ่เพื่อประโยชน์เป็นที่ประทับของพระศ า, าสดาซึ่งมีเรือนยอดจำนวนหนึ่งพันหลัง เป็นบริวารเมื่อทรัพย์ไม่เพียงพอเพราะความที่นวกรรมคืองานก่อสร้างเป็นงานใหญ่จึงได้ออกอีกคนละกึ่งจากทรัพย์ที่ตนให้แล้วในก่อนเมื่อบริเวณเสร็จแล้วจนเหล่านั้นเมื่อจะทำการฉลองวิหารจึงถวายมหาฐานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเจ็วัน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 ราคาพันหนึ่งในเวลาอนุวัทนาบูชาพระาศาสดาด้วยดอกอังกาบแล้ววางผ้าสาดอกนั้นไว้แทบบาทมูลของพระาศาสดาตั้งความปรตนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอสิ ร, ริละของหม่อมฉันจงมีสีดุดดอกอังกาบนี้แหละในที่หม่อมฉันเกิดแล้วเกิดแล้วขอหม่อมฉันจงมีนามว่า อโนชานั่นและพระศาสดาได้ทรงทาการอนุโมทนาว่าชงสำเร็จอย่างนั้นเถิดตอนกุลุมพีภรยาและบริวารเกิดในราชตระกูลจนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดำลำรงอยู่ตลอดอายุแล้วจุติจากอันภาพนั้นแล้วก็เกิดในเทวโลกในพุทธประบาทการนี้จุติจากเทวโลกแล้ว กุดุมพีผู้เป็นหัวหน้าเกิดในราชตสกูลในกุกกุฏว ด, ดีนครถึงความเจริญวัยแล้วได้เป็นพระราชาพระนามว่าพระเจ้ามหากปินะชนที่เหลือเกิดในตระกูลอมาต์ภรยาของกุดุมพีผู้เป็นหัวหน้าเกิดในราชตสกูลในสาคนนครในมัทธรัฐ พระนางได้มีพระเสรีระเช่นกับดอกอังกาบนั่นเดียวพระญาตขนานพระนามแก่พระนางว่าอโนชานั่นแหละพระนางทรงถึงความเจริญวหวแล้วก็ไปสู่พระราชมณีนของพระเจ้ากลับไปนะได้เป็นพระเทวีมีพระนามว่าอโนชาแล้วแม่หญิงทั้งหลายที่เกิดในตระกูลอมาดทั้งหลาย ถึงความเจริญวัยแล้วก็ได้ไปสู่เรือนแห่งบุตรอมาตะเหล่านั้นเหมือนกันชนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดได้สวยสมบัติเช่นกับสมบัติของพระราชาในการใดพระราชาทรงประดับเครื่องอลังการทั้งปวงทรงช้างเที่ยวไปในการนั้นแม้ชนเหล่านั้นก็เที่ยวไปเหมือนกันเมื่อพระราชาเสด็จ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 ต่อมาวันหนึ่งพระราชาส่งมาชื่อสุ ป, ปตตะอันอมัดพันหนึ่งแวดล้อมเสด็จไปพระราชอุทยานทอดพระเนตรเห็นพวกพ่อขาประมาณ500ผู้มีร่างกายอ่อนเปลี่ยกกำลังเข้าสู่พระนครแล้วทรงดำรีว่าชนเหล่านี้ลำบากในการเดินทางไกลเราจะได้ฟังข่าวดีอย่างหนึ่งจากสำนัก แห่งชนเหล่านี้เป็นแน่จึงรับสั่งให้เรียกพ่อค้าเหล่านั้นมาแล้วตรัสถามว่าท่านทั้งหลายมาจากเมืองไหนโอปะขาพระเจาขาพวกข้าประรงค์มาจากนครชื่อสาวัตถีซึ่งมีอยู่ในที่ประมาณร้อย่ิโยชนจากพระนครนี้ปรราชาก็ข่าวอะไรอะไรอุบัติขึ้นในประเทศของพวกท่านมีอยู่หรือ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 พวกท่านกล่าวว่าอะไรนะพ่อปวกพ่อขากล่าบตูนว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นลาพระชก้าแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระราชาก็ทรงยับยัง้งอยู่อย่างนั้นเหมือนกันในวาระที่สีรัตาาว่าพวกท่านกล่าวอะไรนะพ่อเมื่อพ่อขาเหล่านั้นกล่าบตูนว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นลาพระชก้า จึงตรัสว่าพ่อค้าทั้งหลายเราให้ทรัพย์แก่พวกท่านแสนหนึ่งข่าวอะไรๆแม้อื่นอีกมีอยู่หรือป่าพวกพ่อค้ากราบทูลว่ามีอยู่พระเจ้าข้าพระธรรมอุบัติขึ้นแล้วพระราชาทรงสัาแม้คำนั้นแล้วทรงยับยั้งอยู่ตลอดสามมาระโดยในยะก่อนนั่นแหละในเวลาที่สี่ เมื่อพ่อขากราบทูลคําว่าธรมโมจึงตรัสว่าแม้เพราะบทนี้เราให้ทรัพย์แก่พวกท่านแสนหนึ่งเราจึงตรัสตามว่าข่าวแม้อย่างอื่นมีอยู่หรือพ่อพวกพ่อขากราบทูลว่ามีอยู่พระเจ้าค้าพระสังฆารัตนะอุบัติขึ้นแล้วประาชาทรงสดับแม้คํานั้นแล้ว ทรงยับยั้งอยู่ตลอดสามวาระอย่างนั้นเหมือนกันในวาระที่สเมื่อพวกพ่อคากราบทูลคําว่าสังโคจึงตรัสว่าแม้พระบทนี้เราให้ทรัพย์แก่พวกท่านแสนหนึ่งแล้วทรงแลดูอมตพันหนึ่งแลัสตามว่าพ่อทั้งหลายพวกท่านจะทําอย่างไรผูอร้อมตะก็พระองค์จะทําอย่างไรเล่พาพระเาข้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 ออกปนวนดพร้อมกับอมาตพระราชารับสั่งให้เจ้าพลักงานอารักษ์เจ้ารึกหกักษรลงในแผ่นทองแล้วตรัสกับพวกพ่อค้าว่าพระเทวีพระนามว่าอโนชาจากพระราชทานทรัพย์สามแสนแก่พวกท่านก็แลพวกท่านอย่าทูลอย่างนี้ว่าได้ยินว่าพระราชาทรงสลากความเป็นใหญ่ถวายพระองค์แล้ว พระองค์จงสเสวยสมบัติตามสบายเถิดก็ท้าว่าพระเทวีจะตรัสถามพวกท่านว่าพระราชาเสด็์ไปไหนพวกท่านพึงทูลว่าพระราชาตรัสว่าจะบวชอุทิศพระศาสดาดังนี้แล้วพระเจ้ามากระปี น, นั้นั้นก็เสด็จหลีกไปแม้อมาทั้งหลายก็ส่งข่าวไปแก่ภรยาของตนของตนอย่างนั้นเหมือนกัน พระราชาทรงส่งพวกพ่อค้าไปแล้วอันอมาตย์พันหนึ่งแวดล้อมเสด็จออกไปในขณะนั้นนั่นแหละในวันนั้นแม้พระาศาสดาเมื่อทรงตรวจดูสัตว์โลกในการใกล้รุ่งได้ทอดประเนรเห็นพระเจ้ามาหากรพินะพร้อมทั้งบริวารทรงดํบริว่าพระเจ้ามาหากรพินะานี้ได้ทรงสดับ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 เราจะทําการต้อนรับเท้าเธอดนนี้แล้วในวันรุ่งขึ้นทรงบาทและจีวรด้วยพระองค์เองทีเดียวเสด็จต้อนรับสิ้นทางหนึ่งรอยชนบโยด์ดุจพระเจ้าจักรพรรดิทรงต้อนรับกำนันฉะนั้นพระองค์ทรงประทับนั่งเปล่งพระรัศมีมีวันนหกภายใต้โคนต้นนิโครดริมฝั่งแม่น้ำ จันทพาขานนาทีฝ่ายพระราชาเสด็จมาถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งแล้วตรัสถามว่านี้ชื่อแม่น้ำอะไรพวกอมตชื่อแม่น้ำอาระวะปราปจานาทีพระเจ้าขาพระราชาพ่อทั้งหลายแม่น้ำนี้มีประมาณเท่าไรอมตะโดยลึกคาวุต1หนึ่งโดยกว้างสองาวุตพระเจ้าข้าพระราชา กในแม่น้ำนี้มีเรือหรือแพหรือไม่ไม่มีพระชาคา่าพระราชาตรัสว่าเมื่อเราทั้งหลายมัวหายานมีเรือเป็นต้นการเกิดคือชาติย่อมนำไปสู่ชราชราย่อมนำไปสู่มรณะเราไม่มีความสงสัยออกบวชอุทิศพระรัตนตรยัยด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรายนั้นน้ำนี้อย่าได้เป็นเหมือนน้ำเลย ดังนี้แล้วทรงระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยระลึกถึงพุทธานุสติว่าแม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันตะสมมาสัมพุธเช้าเป็นต้นพร้อมทั้งบริวารเสด็จไปบนหลังน้ำด้วยม้าพันหนึ่งม้าสินทบทั้งหลายก็วิ่งไป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 จึงตรัสถามว่าแม่น้ํานี้ชื่ออะไรแม่น้ํานี้ชื่อจันทภาขาณทีพระชจ้าก็แม่น้ํานี้ลึกประมาณเท่าไหร่ทั้งส่วนลึกทั้งส่วนกว้างประมาณโยอหนึ่งพระชจ้าคาําที่เหลือก็เหมือนกับคําก่อนนั่นแลส่วนพระราชาท่าพระเนตรเห็นแม่น้ํานั้นแล้วทรงระลึกถึงสังขารนุสติว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นสเสด็จไปแล้วก็เมื่อสเสด็จข้าแม่น้ำนั้นไปได้ทอดพระเนตรเห็นพระรัศมีมีวันนะาหกแต่พระสรีระของพระศาสดากิ่งข้าคบและใบแห่งต้นนิโกโรธได้เป็นราวกับว่าสำเร็จด้วยทองคมตอน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 แล้วเธอเสด็จลงจากหลังมา้าทรงน้อมพระสรีระเข้าไปเฝ้าพระศาสดาตามสายพระรัสมีเสด็จเข้าไปภายในแห่งพระพุทธรัสมีเราก็ว่าดำลงไปในมโนศิลารถตวายบังกรมพระศาสดาแล้วประทับนั่งนะส่วนข้างหนึ่งพร้อมกับอมาตย์พันหนึ่งพระศาสดาทรงสแสดงอนุ บุพีกรตาแล้วในเวลาจบธรรมเทศนาพระราชาพร้อมด้วยบริวารตั้งอยู่แล้วในโซดาปฏิผลลำาดับนนท์ชนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดลุกขึ้นทูลขอบรระชาแล้วพระศาสดาทรงใกรโครวนว่าบาจีวอลสำเร็จด้วยฤทธิ์ของกุฎบุตรเหล่านี้จะมาหรือหนอแหละทรงทราบว่า กุลบุตรเหล่านี้ได้ถวายจีวรพันผืนแใ่พระปฏิเจกพระพุทธเจ้าพันองค์และในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะได้ถวายจีวรสองหมแม้แก่ภิกษุสองหมรูปความมาแห่งบาตรและจีวร อ, อันสําเร็จด้วยฤทธิ์ของกุลบุตรเหล่านี้ไม่น่าอัศจรรย์ดังนี้แล้วทรงเหยียบราชขวาแล้วตรัสว่า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 พระนางอนโนชาเทวีเสด็จออกประดุลฝ่ายพ่อค้าเหล่านั้นไปสู่ราชตระกูลแล้วได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่กราบทูลข่าวที่พระราชาทรงส่งไปเมื่อพระเทวีรับสั่งว่าจงมาเติดจึงเข้าไปถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่นะที่ส่วนข้างหนึ่งพระเทวีตรัสตามพ่อค้าว่าพ่อทั้งหลาย พวกท่านมาเพราะเหตุอะไรพวกพะขาพระราชาทรงส่งพวกข้าพระองค์มายัางสำนักของพระองค์ในยะวา่าขอพระราชทานทรัพย์สามแสนแก่พวกข้าพระองค์พระเข้าพระเทวีเพราะทั้งหลายพวกท่านพูดมากเกินไปพวกท่านทำอะไรแก่พระราชาพระราชาทรงเลื่อมใสในอะไรของพวกท่านจึงรับสั่งให้พระราชทานทรัพย์มีประมาณเท่านี้ ปวกพาพระเจ้าข่าอะไรอะไรอย่างอื่นพวกข้าพระองค์มิได้ทําแต่พวกข้าพระองค์ได้กราบทูลกล่าวแก่พระราชาประเทวีพอทั้งหลายก็พวกท่านสามารถบอกแก่เราได้บ้างหรือไม่ได้พระเจ้าข่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงบอกแก่เราเถิดพวกพกาพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลก แม้พระเทวีทรงสดับคำนั้นแล้วก็มีพระสรีระอันปีติถูกต้องแล้วโดยนัยะก่อนนั่นแลทรงกำหนดอะไรอะไรไม่ได้ถึงสามครั้งในวาระที่ 4, สทรงสดับว่าพุทโธแล้วจึงตรัสว่าพ่อทั้งหลายเพราะคำนี้พระราชาพระราชทานอะไรโอปปกะทรับแสนหนึ่งพระเจ้าค่า พระเทวีพ่อทั้งหลายพระราชาทรงสดับข่าวเห็นปานนี้แล้วพระราชทานทรัพย์แสนหนึ่งแก่ท่านทั้งหลายชื่อว่าทรงกระทําไม่สมกันเลยแต่เราจะให้แก่พวกท่านสามแสนเพราะของกํานันอันขัดสนของเราก็ข่าวอะไรอีกที่ท่านทั้งหลายกราบทูลแล้วพวกพกาเหล่านั้นกราบทูลข่าวสองอย่างแม้อื่นอีกว่าข่าวอย่างนี้อย่างนี้แหล พระเทวีมีพระสรีระอันปีติถูกต้องแล้วโดยในยักก่อนนั้นแหละทรงกำหนดอะไรอะไรไม่ได้ถึงสามครั้งในครั้งที่สทรงสับอย่างนั้นเหมือนกันแล้วรับสั่งให้พระราชทานทรัพย์ครั้งละสาแสนพ่อขาเหล่านั้นได้ทรัพย์ทั้งหมดเป็น12แสนด้วยประการชนนี้ลำดับนั้น พระเทวีตรัสถามพ่อก้าหลังนั้นว่าพ่อทั้งหลายแล้วพระราชาเสด็จไปไหนข้พ่อก้าพระราชารับสั่งว่าเราจะบวชอุทิศพระศาสดาแล้วก็เสด็จไปพระชจ้าข้าพระเทวีข่าวอะไรที่พระองค์พระราชทานแก่เราพ่อกาในยาว่าพระราชาทรงสละความเป็นใหญ่ทั้งหมดถวายแด่พระองค์ในยาว่า พระองค์จงสเสวยสมบัติตามพระประสงค์เถิดพระเทวีก็แล้วพวกอมาศไปไหนละพ่อผู้ปกาแม้อมาศเหล่านั้นก็กล่าวว่าเราจะบวชกับพระราชาเหมือนกันแล้วก็หลีกไปพระเจ้าขาพระนางจึงรับสั่งให้เรียกภรรยาของอมาศเหล่านั้นมาแล้วตรัสว่าพวกแม่ทั้งหลายสามีของพวกเจ้ากล่าวว่า จะบวชกับพระราชาแล้วก็ไปพวกเจ้าจะทำอย่างไรหญิงเหล่านั้นก็ข่าวอะไรอะไรที่พวกเขาส่งมาเพื่อหม่อมฉันพระเจ้าข้าพระเทวีได้ยินว่าอมาตะเหล่านั้นสละสมบัติของตนของตนแก่พวกเธอแล้วได้ยินว่าพวกเธอจงบริโภคสมบัตินั้นตามชอบใจเอิอหญิงสาวเหล่านั้นก็พระองค์จะทำอย่างไรเล่าพระเจ้าา พเทวีพ่กแม่ทั้งหลายทีแรกพระราชา n ทรงสดับข่าวแล้วประทับยืนในหนทางเดียวทรงบูชาพระรัตนตรยัยด้วยทรัพย์สาวแสนทรงสละสมบัติดุดก้อนน้ำลายตรัสว่าเราจะบวชแล้วก็เสด็จออกไปส่วนเราได้ฟังข่าวพระรัตนตรัยแล้วบูชาพระรัตนตรยัยด้วยทรัพก้า0แสน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 ถ้าพวกเจ้าอาจก็ดีละแม่หญิงทั้งหลายเหล่านั้นรับคาว่าอาจแล้วพระเทวีจึงได้ตรัสว่าถ้ากระนั้นพวกเจ้าจงมาในนี้แล้วก็รับสั่งให้เตรียมรถพันกันสเสด็จออกไปกับหญิงเหล่านั้นถ้าประเนตเห็นแม่น้ำสายหนึ่งในระหว่างทางตรัสถามเหมือนพระราชาตรัสถามแล้วเหมือนกัน ทรงสดับความเป็นใบทั้งหมดแล้วจึงตรัสว่าพวกเจ้าจงตรวจดูทางเสด็จไปของพระราชาเมื่อหญิงเหล่านั้นกราบทูลว่าพวกหม่อมฉันไม่เห็นรอยเท้าม้าสินทบพระเจ้าค่าพระเทวีจึงมีความดมฤกิ์ขึ้นมาพระราชาจะทรงทาสัจจ ก, กิริยาว่าเราออกบวชอุทิศพระตัตนตรัยแล้วเสด็จไปถึงเราก็จะออกบวช อุทิศพระรัตนตรยัยด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนะเหล่านั้นนั่นแหลขอ น, น้ำนี้อย่าได้เป็นเหมือนน้ำเลยดั๋นี้แล้วก็ทรงระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยทรงส่งรถพันกันไปน้ำได้เป็นเช่นกับหลังแผ่นหินปลายเผาและเวียนกงแห่งลอ้อก็ไม่เปียกเลยพระเทวีเสด็จฆ่าแม่น้าทั้งสอง แม้นอกนี้ไปได้โดยอุบายนั้นเหมือนกันพระศาสดาทรงทราบความเสด็จมาของพระเทวีได้ทรงทมโดยประการที่ภิกษุทั้งหลายผู้นั่งอยู่ในสำนักของพระองค์ไม่ปรากฏเห็นได้แม้พระเทวีเสด็จไปอยู่ไปอยู่ถ้าพระเนตรเห็นพระรัศมีพุ่งออกจากพระสรีระของพระศาสดาทรงดมรีอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วประทับยืนอยู่นะส่วนข้างหนึ่งทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้ามาหากับปีนะเสด็จออกผนวดอุทิศพระองค์เท้าเถอดชะรอยจะเสด็จมาในที่นี้แล้วเท้าเถอดพระทับอยู่ที่ไหนพระองค์ไม่ทรงแสดงแม้แก่หม่อมฉันบ้างหรือพระศาสดาตรัสว่า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 มาหากปิญเีระพร้อมทั้งบริวารสดับพระธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรงขยายแก่หญิงเหล่านั้นแล้วก็ได้บรรลุพระอารหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายในขณะนั้นพระศาสดาทรงแสดงภิกษุเหล่านั้นผู้บรรลุพระอารหัตแล้วแก่หญิงเหล่านั้นได้ยินว่า ในขณะที่หญิงเหล่านั้นมานั่นเทียวจิตของเขาไม่พึงมีอารมณ์เป็นหนึ่งเพราะเห็นสามีของตนของตนทรงผ้าย้อมน้ำฝาดมีศีสาโ้นเพราะเหตุ น, นั้นหญิงเหล่านั้นจึงไม่พึงอาจเพื่อบรูมรักผลได้เพราะฉะนั้นในเวลาหญิงเหล่านั้นตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาอันไม่หวั่นไหวแล้วพระศาสดา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 และสัมมานะอันมหาชนนำมาให้ในระหว่างเดินทางไปด้วยเท้าสิ้นหนทาง120ยโยต์บวชแล้วในสำนะักแห่งนางภิกษุณีได้บรรลุพระอรหันต์แล้วแม้พระสัสดาก็ทรงพาภิกษุพันรูปเสด็จไปสู่พระเชตวันทางอากาศนั่นแหละได้ยินว่าในภิกษุเหล่านั้น พระมาหากปพินะเที่ยวเปล่งหูทานในที่ทั้งหลายมีที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันว่าสุขหนอสุขหนอะภิกษุทั้งหลายกราบทูแลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าค้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระมาหากปพินะเที่ยวเปล่งหูทานว่าสุขหนอสุขหนอท่านเห็นจะกล่าวรารกความสุขในราชสมบัติของตน พระศาสดารับสั่งให้เรียกพระมหากปินะนั้นมาแล้วรัถตาว่าก ป, ปินะได้ยินว่าเธอเปล่งอุทานปรารบสุขในกามสุขในรัชสมบัติจริงหรือพระมหากปินะได้ทูลว่ากระแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบการเปล่งหรือไม่เปล่งปรารบกามสุขและราชสุขนั้น ของข้าพ ร, ระองค์พระศัสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราย่อมเปล่งอุทานปรารบสุขในกามสุขในราชสมบัติก็หาไม่ได้ก็แต่ว่าความเ อ, อิบอิ่มในธรรมย่อมเกิดขึ้นแก่บุตรของเราบุตรของเรานั้นย่อมเปล่งอุทานอย่างนั้นเพราะปรารบอมตะมหานิพพานแต่นี้แล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรมสื่อปนุสนที่ได้ตรัสพระคถานี้ว่าบุคคลผู้เอิบอิ่มในธรรมมีจิตใจปรงใส ย, ย่อมอยู่เป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอรียเจ้าประกาศแล้วทุกเมื่อบาลีว่าธรรมะปีติสุขังเสติวิปสัสสนเนนะเจตสา อริยะปะเวทิเตธรรมเมสะทาระมะติปันฑิตโตในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าธรรมะปีติแปลว่าผู้เอิบอิ่มในธรรมหมายความว่าผู้เอิบอิ่มในธรรมอธิบายความว่าผู้ดื่มธรรมะก็ธรรมดาพระธรรมนี้อันไกลใกไม่อาจเพื่อจะดื่มได้เหมือนดื่มข้าวยา ก, กููเป็นต้น ด้วยภาชนะฉะนั้นก็บุคคลถูกต้องโลกุตรธรรม9ก้าอย่างด้วยนามกายทำให้แช้งโดยความเป็นอารมณ์แทงตลอดแห่งอริยสัจมีทุกข์เป็นต้นด้วยกิจมีการบรรลุ ธ, ธรรมด้วยความกำหนดรู้เป็นต้นชื่อว่าย่อมดื่มธรรมะคำว่าสุขังเสติแปลว่าย่อมอยู่เป็นสุขนี้สักว่าเป็นหัวข้อเทศนา อธิบายความว่าย่อมอยู่เป็นสุขแม้ด้วยอริยบทสีําำว่าวิปสัสเนนะแปลว่าผ่องใสคือไม่ขุนมัวได้แก่ไม่มีอุบักิเลสคำว่าอริยปะเวทิเตแปลว่าในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วหมายความว่าในโพธิปักยธธรรมอันต่างด้วยสติปัฏานเป็นต้น อันพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นประกาศแล้วคำว่าสัทธาระมะติและว่าย่อมยินดีทุกเมื่อหมายความว่าบัณฑิตผู้เอิบอิ่มในรามเห็นป่านนั้นมีใจผ่องใสยอยู่ประกอบด้วยความเป็นบัณฑิตย่อมยินดีคือย่อมชื่นชมทุกเมื่อในการชมเทศนาะวนไป น, นั้นมาก ได้เป็นพระอรยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นแล้วนังนี้แหละเรื่องพระมหากปิญธีระ